คำว่ากรรมฐานไม่ใช่หมายความจะว่าผู้เป็นพระเป็นสงฆ์หรือว่าคาววาตั้งอกตั้งใจปฏิบัติพึกงหัดลุกขมูลนึอเดินยังกลมแล้วจึงจะเรียกว่ากรรมฐานเท่านั้นแท้ที่จริงเป็นข่าวมินาทั่วไปหมด เขว่ากรรมฐานในที่นี้กรรมคือการกระทําฐานะคือที่ตั้งทําแล้วทําในที่ใดตั้งในที่ใดที่นั้นเราเรียกว่ากรรมฐานมีหมายความทั่วไปหมดพวกชาวบ้านชาวเมืองเขาทาการทํางานทําให้แนวแน่เต็มที่ก็เรียกว่ากรรมฐานเหมือนกัน ทำโต๊ะทำเก้าอี้ทำอะไรต่างๆทำบ้านทำเรือนทำงาน ก, าก่อสร้างทุกสิ่งทุกประการที่เาตั้งใจทำ จ, จริงจังนั่นเรเรียกว่ากรรมฐานคือทำให้มันทำที่ตั้งให้ทำให้มันมัน่นในสิ่งนั้นนั้นเรียกว่ากรรมฐานเดียวกันทั้งหมดไม่ใช่แค่ผ้าเท่านั้นหรอก ทีว่ากรรมฐานกรรมฐานในที่มีท่านพูดเฉพาะที่พูดเฉพาะนั้นเรื่องการทำสมาธิภาวนาเป็นกิจกรรมสิ่งหนึ่งซึ่งทําให้จิตแน่ๆเรียกว่ากรรมฐานทำสมาธิภาวนามีคําบริกรรม ให้มันแน่วแน่เต็มที่นม้จิตวอกแวกท่งไปมาหน้าหลังจนกระทั่งจิตแนวแน่เต็มที่เป็นสมาธิภาวนานั่นแหะเรียกในท่านเรียกว่าเอ ก, กตาลมคือจิตเป็นอันหนึ่งยังเรียกว่าสมาธิมันมีเลยเฉพาะเรียกกรรมฐานในพุทธศาสนา สวนกรรมฐานที่ทั่วไปที่กล่าวมานั้นทำมะไรต่างแน่วแน่ลงเต็มที่ในสิ่งนั้นๆั้นแต่เป็นของภายนอกไม่ได้อยู่เข้ามาในกายนั้นเขาเรียกกรรมฐานเหมือนกันแต่กรรมฐานในศาสนาเนี่แน่วแน่ลงเต็มที่แล้วให้เข้ามาในกายให้อยู่ที่กายแห่งเดียว จนกระทั่งพิจารณาแน่วแน่เต็มที่กายก็ไม่อยู่ไม่อยู่ติ่จิดอันเดียวนั่นแหละเรียกกรรมฐานกรรมฐานมีหลายอย่างท่านอบรมหลายพิธีนี่ว่ากรรมฐาน4ี่สิเมียสติสิทธินภาพสิที่เป็นต้น ให้เห็นเฉพาะตัวของเราไม่ได้ไปดูในที่อื่นไม่ได้เพ่งดูในที่อื่นให้เห็นเฉพาะตัวของเราเท่านั้นหเห็นตัวของเราแล้วยังแนวแน่เข้าไปจนหเห็นจิตของตนอีกมันอย่างเดียวเพ่งเอาภายในไม่ได้เพ่งภายนอกเมื่อเพ่งเข้ามาพิจารณาอยู่ในตัวของเราอย่างเดียว คือมันมันใกล้เข้ามาอยู่ในตัวงของเราเฉพาะตดวงของเราเนี่ยมันใกล้เข้ามาที่สุดที่ว่าพิจารณาสุดในตดวงของเราช่ไหของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นาตาจนเห็นเป็นของเปยเน่าปฏิกูลเมื่อเป็นของไม่เที่ยงทา้าว่น เราไม่พิจารณาก็เข้าใจว่าเป็นของเทียงทาวอนไม่พิจารณาก็ไม่เห็นเป็นของปฏิกูลทําเสริมสวยทุกสิ่งทุกประการให้รู้ราของที่ไม่ดีก็ทําให้มันดีขึ้นคือต้องการให้มันสวยนั่นเองต้องการให้มันงามนั่นเองต้องการให้มันอยู่ทาวอนนั่นเองคือปกปิดความจริงของมัน มาให้เห็นตามเป็นจริงแต่กรรมฐานนั่นท่านไม่ปิดท่านเปิดเปิดของจริงขึ้นมาให้เห็นพิจารณาของจริงมันปฏิกูยังไงมันเปลืยเน่ายังไงมันเป็นของไม่เที่ยงยังไงถ้ามันชัดเดี่ตนเองมันจะเรียกว่ากรรมฐานพิจารณาทีเดียว ไม่ให้พิจนาส่งออกภายนอกพิจนาเห็นของจริงเสียด้วยเห็นของจริงตามเป็นจริงเราคิดเด ว, ว่าตัวของเราน่ะเป็นเป็นของจริงยังไงว่าอาสุภาวะวัตถกูน่ะมันเป็นจริงไหมพิจานาผมขนและผ น, นังหน้าเองกระดูกเนี่ยเป็นต้นโดยลําดับ หรือจะพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้หรือต้องพิจารณาโดยทั้งดับก็ได้เหมือนกันขอได้ไมาเห็นชัดลงไปแล้วก็แล้วกันสมมุติว่าเราพิจารณาเฉพาะฟันของเราเนี่ยของปฏิกูลโสโคกเราต้องแป้งต้องนั่นทุกวี่ทุกวันวันนึงตั้งหลายหัวหลายครั้ง ฟันเป็นของปฏิกูลมีมวลฟันเกลกลองอยู่นั่นแต่ว่าฟันมันก็มีประโยชน์เคี้ยวอาหารแหลกให้แหลกแล้วจึงค่อยลืนลงไปเฉพาะฟันแห่งเดียวพิจารณาเฉพาะฟันแห่งเดียวอาหารของที่เราเคี้ยวลงไปนะั่น คลุกเข้าโดยน้ำลายถ้าไม่มีน้ำลายก็กืนไม่ได้มีน้ำลายคลุกเข้าโดยเขีเข่ยวอจนมันแหลกแล้วถ้าหากในขณะนั้นเราคลายออกมานันไม่สามารถเท่าเอาเข้าป่าอีกต่อมันนั่นก็แสดงอ่าปฏิกูลแล้ว เขาหน้าเกลียดแล้วคือน้งไปอ่ะไปอยู่ในน้ำใสดันแล้วยิ่งแล้วใหญ่มันสามารถที่จะแล้ว อ, ออกมาได้ไ อ, อยู่ในกระเพาะเปล่อยเน่าเกจ้าไป้ตยย่อยไปตามถิงสารพัดทุกอย่างที่มันย่อยออกไป มันต้องไปตามภัสสัต์ไปตามเส้นเลือดให้ไปบำรุงร่างกายทุกชิ้นทุกส่วนตั้งแต่เส้นผมตลอดถึงเท้าเอาไว้ว่าเข้าไปแห่งไอทุกชิ้นทุกส่วนอาหารเข้าไป น, นิดทีเดียวนะแต่มันจัดแจงแต่งเรื่องของมันมันแต่งไปเองตามเรื่องของมันไปหล่อเลียงเราไม่ต้องคำนึงถึงมันหรอก เขาไปเข้าถึงกระเพาะแล้วชวนเศษเลื้อยไปไหลลงไปตามลำไส้ลำไส้ใหญ่เป็นอุจจาระปัสสาวะเป็นหูดเป็นคูดมิ่งเขาก็ปบใหญ่เม้นก็แสนเหม็นหน้าเกียดติกลุพึ่งเกียดติหนักเกียดหนากลัวที่สุด นั่นแต่แต่เฉพาะอันเดียวเท่า น, นั้นแหละเราไม่ต้องพิจารณาให้เกิดปฏิภาคแรอกปฏิภาคคือมันเป็นมิมิแต่พิจารณาสุภาพิ์นี้นเดีเ๋ยวก็จิตรวมเวกมันไปเกิดเล่่่าเล่่อาไปหมดเลยอันนั้นเป็นปฏิภาคเขาเรียกวปฏิภาคเราพิจารณาอย่างที่ว่านี้ไม่ต้องเกิดปฏิภาคอย่างเห็นชัดตามจริงเลย ภายนอกเราก็เห็นภายในแล้วก็เห็นเรียกว่าญาณทัศนะเห็นทั้งภายนอกไปไหนส่วนในเรื่องเเหมือนกันค่อยพิจารณาเองนั่นเรเรียกว่าของปฏิกูลไม่ใช่ไม่ดีที่ไหนคนเรา พระพุทธเจาทันเทศนาอุคขาันตังปะขารันตังมีไทยสองปากคือว่ากรอกลงไปทั้งทั้งปากนี้แล้วก็ไล่ยไป ท, งทางถาวรเรียกว่าไทยไทยสองปากไล่ยื่ตลอดนี่ละท้กวี่ทุก ว, วันอุคขารันตังปะขลันตังทวนว่างั้น แล้วมีอะไรคนเรามีไท่สองปากเท่านั้นแหละไม่มีอะไรเลยมัตถกตัวไม่ดีอะไรเลกคันนี้เราเห็นชัดอย่างนี้เห็นประตาเป็นจริงนี้เรียกว่าเห็นของจริงเห็นอันนี้เรียกว่าเห็นด้วยสมาธิจิตเนี้ยแนยังค่อยลงจึงค่อยเห็นลงได้ถ้าจิตได้เป็นสมาธิมันไม่เห็น ถ้าเห็นแต่ของสวยของงามของสกรปรกเลยไม่อยากเห็นถ้าหากว่าจิตเป็ น, น, น, มปนมมสมาธิเห็นตามเป็นจริงไม่มีสกรปรกเลยเห็นตามเป็นจริงไม่มีสกปรกนั่งเป็นนอย่างนั้นยังว่าโลก เห็นเป็นเครื่องโลกอันหนึ่งเห็นเป็นเรื่องธรรมอย่างหนึง่งถ้าจิตเป็นสมาธิเราเป็นธรรมถ้าจิตจะเป็นสมาธิ areth, แตเป็นโลกเห็นของสดสวยงวดงามไปทุกสิ่งทุกอย่างตกแตง่งมันไม่สวยกับ ต, ตกแต่งให้สวยไม่งามกับตกแต่งให้งามแท้ที่จริงตัวของเร า, ามีงามอะไรหรอกมันมีสวยอะไรหรอกแต่เราเข้าใจมาของสวยของงามถ้าเกเขียนนั่นวาดเนี่อะไรต่างๆตกแต่ง ว่าคีดว่าปากอะไรต่างๆไปตามเรื่องอะเนี่ยแต่งผีไม่มีเดีอะไรหรอกตัวนี้เรียก ว, ว่าซากผีแต่งสดสวยม่งงามเหมือนกับเขาแต่งหลงผีอะเนี่ยทางภายนอกสวยสดมั่งามแต่ทางในเหม็นหืนอยู่เนมันตรงของเราก็ะเมือนกันนะแต่งภายนอกก็แต่งสดสวยม่งงามทุกอย่าง ไม่อยากให้ไม่อยากดูป้องไม่ดีแต่ภายในเห็นหึงอยู่นัให้เห็นตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วจึงจะเกิดความสดสังเวชเห็นตัวตนของเราเนี่ยเปของหน้าเบื่อได้เห็นอันอ น, นั้นเนียกว่าเห็นอสุภะเห็นอ น, นิจจังแล้วขานี่เห็นทุกขังแล้วอนัตตาแล้วคขานี่ อย่างอธิบายเคยอธิบายฟังมาแล้วของไม่เที่ยงมันแต่ควนไปทุกวันทุกวันสิ่งที่ควงมุดในโลกนี้ไม่มีเที่ยงสักอย่างเดียวเที่ยงแท้ก็คือความตายทุกคนต้องตายอะไรแต่งขึ้นมาปรากฏขึ้นมาแล้วเชื่อมในตัว ดังคดเกิดขึ้นมาเนี่ยวันหนึ่งก็ได้เสื่อมไปวันหนึ่งแล้วสองวันก็เสื่อมไปสองวันแล้วเดือนสองเดือนก็เสื่อมไปแล้วมันแก่ไปคือมันเสื่อมไปทิ่งวัตถุสิ่งของของมวลมดก็เหมือนกันแล้วก็สร้างขึ้นมางั้ว่าฒน์สาเร็จเสื่อมไปแล้วเสื่อมไปทุกวันทุกวันความ ข้อนั้นเห็นยากถ้าไม่พิจารณาเห็นยากก็สร้างย้วยว่าทั้งสเสด็จจะเสื่อมได้ไงเองใช่มันมันลําบากตัวยากอยู่เหมือนกันสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมานับวันได้จะเสื่อมเคสไม่เ็จก็ต้องเสื่อมทั้งที่เสื่อมนั้นทั้งสร้างให้ให้มัน มันเป็นรูกเป็นล่างขึ้นมาเป็นบ้านเป็นเรือนก็นดีที่สร้างขึ้นมานั้นมันเสื่อมแล้วนั่นของวัตถุที่ทำนันมันเสื่อมไปแล้วทําเสร็จแล้วก็เสื่อมไปอย่างว่าบ้านเรือนของเราทำอย่างเงี้ยพอเสร็จแล้วก็เสื่อมไปเสื่อมไปทีละน้อยแต่น้อยเรือนหนึ่งปีนึงเสื่อมไปโดยลำรับถ้าไม่เสื่อม ร้อยปีสองร้อยปีไม่ใช่ไม่ที่ไอ้มนก็ถานหวานมานคมอยู่สิอันนี้มันเสื่อมมันยังค่อยสำลักสุดโสมงานอันปานนู้นเน่ยยังค่อยเห็นยังค่อยเห็นความทุดโสมของมันเฉะนั้นเรียกวานของไม่เที่ยงตัวของเราก็เหมือนกันแก้วันแก่เดือนแก่ปีโดยลําดับไปถ้าหากว่ายังหนุ่มยังวัยอยู่ ก็เข้าใจว่าตนไม่มีไ ม, ม่เสื่อมจนแก่เท่าวะช้ำรุดทุติยมแข้งขาวัยวะทุกชิ้นส่วนปวดห่วยเจ็บน้นเจ็บนี่อะไรต่งตางๆยังค่อยรู้สึกว่าเสื่อมไปแล้วมันเสื่อมไปโดยลำดับแต่มไม่ไม่ท่นรู้ตัวเพราะมันมีพลังเพียงพอที่จะต้านทานต่อสู้สิ่งไว้รอม ที่มันเสื่อมไปนะั่นแหะอันมันเสื่อมไปนะั่นแหะเสื่อมไปทุกวันทุกวันนะั่งคือทุกเสื่อมไปทุกนาะทีวินาทีนะั่นะคือทุกแม่ไหะเป็นทุกทุกของเราเห็นนั่นเนี่ยเพียงว่าจเจ็บหนักข้างใหญ่กระทั่งนอนกับเสือ่อก็หมอนยังไม่รู้จักว่าทุกมิเจ็บปวดอะไรต่างๆหลายอย่างหลายเรื่องจนลุกไม่ได้ เจ็นค่อยว่าทุกแน่นั้นทุกเป็นบางครั้งบางคราวทุกใหญ่ั น, นทุกทุกวันนี่นะ่ะ น, น, นมันมันความเสื่อมมั น, ม, นมันทนไม่ได้นะน่ะคือความทุกทนอยู่ไม่ได้นะ่ะนั่นเรียกว่าทุกมันแย่ปวนไปแนละ้มันนั่นเรียกว่าทุกอันนี้จังทุกขัง อ, นนอนนะไ น, นั่นนั่ตาแล้วค่ะนี่นันมีสาระอะไรเลย แล้วหาสาระไม่ได้จะพูดถึงเรื่องอวัยวะทุกชิ้นส่วนก็ไม่มีสาระอะไรเลยเช่นแขนขาอวัยวะสร่างกายทั้งนี่ยไม่มีสาระอะไรสกิ๊ดเดียวมิได้เสื่อมไปสมุู้ไปทุศม์ไปโดยลำดับแล้วเกิดคือมามาคลองร่างกายนี้ร่างกายนี้ค่อยเสื่อมหมดไปหมดไปแต่จิตใจยัง ไม่เสือเราใช้จิตใจน่ะมาใช้ของคนนี้แหละเอาอยาตน่าทั้งหกตาหูจมูกลิ้นกายใจเราใช้ได้ในเมื่อ ม, มีเจ้าของอยู่คือจิตถ้าหากจิตไมมีได้ใช้ไม่ได้ของอันนี้นมดเรื่องอันนแ้ละจึงว่าไม่มีสาระ แต่หากคู่ปฏิบัติอาานันนี้อบรมจิตใจให้แน่วแน่เต็มที่แล้วไม่ใช่เห็นอย่างนั้นเห็นอนิจจังทุกขังนัาตาไม่ใช่เห็นอย่างนั้นต้องเห็นอนัตตาก่อนตนตัวมีสาระเลยมันต้องเห็นชัดต้องเปเ็นอนัตตาก่อนมีกลับกันแต่การเดียวกันนั้นน่ ถ้าเห็นอย่างหนึ่งก็เห็นอ น, นิจจังทุกขงาางังนัตตาเห็นอย่างนึงก็เห็นอนัตตาเสก่อนพผู้ภาวนาแล้วต้องเห็นอ น, นัตตาเสก่อนนั่นก็อนิจจังทุกขงัขงทั้งสามอย่างนี้ก็อยู่ด้วยกันนั่น now, แหละเห็นอะไรก็เอาเถอะเห็นเหมือนกันนะแต่ความชัดของผู้ปฏิบัติมันตรงเห็นอนัตตาเสก่อนของไม่เที่ยงเป็นทุกอย่างนี้่แหละคนเรา ผู้ที่ตั้งใจพิจารณาอย่างนี้เหตุเฉพาะในกายของตนอย่างนี้เรียกว่ากรรมฐานในภาษาพุทธศาสนาเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานอันนี้ทำแน่แ น, แน่เต็มที่จนกระทั่งหลุดพ้นจากทุกได้ไม่เหมือนกรรมฐานทั้งโลกกรรมฐานทั้งโลกประกอบการงานต่างๆเฉพาะนั้นให้สาเร็จ ไปได้เพราะเหตุที่จิตแนวเ น, นๆๆี่ยในเพราะเหตุที่จิตตั้งวันนีในเรื่องนั้นแต่เป็นของภายนอกของภายนอกมันมีที่สิ่นสุดสักที่ทำไปเถอทำไปเท่าไหร่ก็ทำไปเถื่ อ, อมีฟุ้งมีแต่งไปนเลรไปแต่ว่ากรรมฐานทางพุทธศาสนาเนะี่ยทำที่สุดให้ถึงที่สุดได้ถึงที่สุดได้ใน เราทำทึกจิตเข้าทางจิตแล้มันถึงที่สุดทั้งนั้นอ่ะแล้วของนั้นเที่ยงวัดเข้าทางจิตแลถึงที่สุดทั้งหัดคือเห็นจิตของตนว่าใครเป็นคนทําจิตเป็นคนทําใครเป็นคนปลุมคนแต่งจิตเป็นคนปลุมคนแต่ง ใครเป็นกิเลสก็จิตได้เป็นกิเลสใครละอะไก็คิตอด้ละละกิเลสน้ากิเลสทั้งหมดไม่มีกิเลสทั้งหมดเรื่องอะไรสิที่เราอยู่นี่อยู่โดยกิเลสประกอบด้วยกิเลสทั้งนั้นเ พ, เพนลิดเพลินเมาๆร่ำหลงทั้งหลายอยู่โดยกิเลสทั้งหมดเมื่ออยู่โดยกิเลสย่าง ยังมีวิธีสิ้นที่สุดครั้เมื่อเห็นกิเลสเน้ล่ากิเลสก็หมดเรื่องสิ้นสุดเท่านั้นเน่ตั้งใจทำกรรมฐานยาเดงกรรมถอกมันถยถยไปถลอกถลายไปไม่ได้ท้าแมแนวแน่เต็มที่ทอดทุราทุกสิ่งทุกประการ ที่กังวลเกี่ยวกับมดทุกสิ่งแม้ไมันยังเหลือใจกรรมฐานอันเดียวเชื่อมันในกรรมฐานห้องตนที่ตนปฏิกรรมอยู่นั้นแต่ปฏิการมพุทโธพุโธก็เชื่อในพุโธนั้นแต่นาป้าสติก็เชื่อในนั้นอนะ่ะอย่าไปทิ้งให้แน่วแน่เต็มที่อย่า ไ, ไปทะเ ล, ลาะทะเลาะไป เดี๋ยวอยากไปอ ย, กไอยากได้นู่นอยากได้นี่มันไม่ได้เรื่องอันนั้นถ้าจิตแน่ว แ, แน่เต็มที่วางแล้วแน่ว แ, แน่เต็มที่มันก็วางหมดทั้งสิมันจะมีอะไรเหลือมันยังเหลือที่จิตกับสมากับพุโทโธเท่านั้นเออันนี้ทะเลอกถลายอยู่มัน ส, น, นส่งโน้นตรงเนี้ไปคิดถึงโน้นถึงนี้มันก็ไม่เป็นสมาธิสักทีทั้งสิ มันจะเป็นคำอาถารพ์ได้ยังไงคำอาถรมพ์เราจิตแนวเนี้ยเที่ยงจะก่อนจริงนะพวงมดไม่ลงอันเดียวจะไอ้ลงอันเดียวเทียก่อนมันยังค่อยมันยังค่อยเป็นมันยังค่อยเป็นต่อไปถ้าไม่ลงอันเดียวแล้วไม่มีที่จะเป็นไปได้หรอกเรื่องหน่งกับมดเหมือนกันนั่นแหละ อย่างการอาชีพมันต้องมีตัวเจ้ก่อนทำการทำงานมันต้องมีตัวคือตุนของเราเนี่ยแหละคือตัวของเราก็คือจิตของเราน่ยแหละถ้าไม่มีแล้วก็ทำ อ, าาทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นมันต้องเกิดจากจิตอันเดียวเท่ก่อนในนี้นที่จิตของเราไม่รู้อ่าจิตคือยังไงมันตั้งอยู่ตรงไหนไม่รู้เรื่อง ก็เพราะเหตุที่ไม่วางนั่นเองไม่วางจรกสิ่งในพวงหมดท่นเป็นสะมาเป็นกรรมฐานแล้ววางหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไร่านี่ความว่างความควาวางความปล่อยวางนั่นนหะมันว่างนั่นแหละความว่างนั่นแหะคือผู้รู้ว่าว่างนัน่นแหะคือตัวจิตจนมันถึงความว่างแต่ก่อนมันยังค่อยเข็นจิต ต้องปล่อยวางความว่านั่นแหละรู้ว่าว่างนะคือตัวจิตน่ะนะไปงมหาแต่จิตอผู้ไปงมหานั่นแหละเป็นตัวจิตนั่นไ ม, ไม่หาผู้งมหาแต่หางงมด้วยที่อื่นผู้งมมันไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เห็นตัวผู้งมมันมันก็ไม่เห็นจิตด้วยสิ ทำสมาทำกรรมฐานในมั น, น, นแน่วแน่เต็มทีจึงจะเห็นตัวฉิตอันนี้อธิบายฝั่งเท่านี้แหละให้ทำตั้งใจทำต่อ